ข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่26สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสจิให้เคลื่อนจึงใช้องค์ชาติเสียดสีขาอ่อนน้ําอสจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัติสังฆาที่เศษ ร, รือหนอ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 จึงใช้องคชาติเสียดสีขาอ่อนน้ำอสจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัส ถ, ถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทน้าอสจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษ แต่ต้องเอาบัตรทุละใจวงเล็บเรื่องที่28